คำสอนได้ๆในใจราพระธาเริ่มเป็นมวงขึ้น่องคำสอนเระพศาสนาหมดคำสอนเราพุทศาสนาไม่ทั้งมนุษย์สมบัติสอนสมบัติพรมสมบัตินิพานสมบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปด้วยมนุษย์สมบัติก็คือเวนอบายสมุขถ้าไม่เวนอบายสมุกก็เป็นมนุษย์วิบัติก็เป็นสวรรค์วิบัติก็เป็นพรมวิบัติ ก็เป็นนิพพานไม่หวัดไปในตัวถ้าเป็นระบายในพวกนั้วพอเป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิก็เป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิก็เป็นพรมสมบัติเต็มภูมิก็เป็นนิพพานสมบัติเต็มภูมิเพอะมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นถ้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทันชีพึ่งไม่ใช่ได้อยากร้องละเมิดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ได้อยากร้องละเมิดสิ้นห้านีปภูมิของพระโสดาบัน ไม่ใช่ได้อยากเล่นอวัยมุกทำไมจึงไม่ใช่ได้อยากเล่นเพราะเห็นว่ามันเป็นทางสิบหายดิ่งลงไปเห็นดิ่งลงไปในทางถูกมันก็ถอนไม่ออกเห็นดิ่งลงไปในทางผิดมันก็ถอนไม่ออกเหมือนกันไม่มันไม่เป็นอุปท า, านหรือเห็นดิ่งไปในทางถูกไมไ่ถือเป็นอุปท า, านแล้วเห็นชอบด้วยเรียกว่าปัญญาอันเห็นทำด้วย เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมด้วยผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือผู้เห็นอบายยมุกนั่นเองเพราะนั้นอบายยมุกเป็นทางชี้พายก็เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าถือศาสตาอื่นไม่เท่าศาสต า, าพุทธนั่นก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมยอมถึงพระพุทธธรรพระสงค์ตาบเท่าข้าสูนย์ข้าพยาเอาไปเทงพื่อ ท, ที่ปฏิบัติบูชาก็วคนทุกในวะธาทุสงสารอยู่โดยทุกเมื่อเถิด เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าไมาอย่างนั้นแล้วยังเป็นตาปางตาอันนี้เป็นตาปัญญาดวงตาเห็นธรรมก็คือตาปัญญานั่นเองปัญญาจักสุจักสูคือปัญญาสมัญใจจักสูจักสูเ ร, ร, ร่าขออเหตุชีพหายก็รู้ว่าเหตุชีพหายจะไปบวงสรวงให้เป็นเหตุจเจริญก็เป็นไปไม่ได้อบายยังว่เป็นเหตุทางชีพหาย จะไปบวงสรวงให้เป็นทางเจริญก็เปลียนไปไม่ได้เหตุนั้นเพระบรมศาสดาจึงเข้ารักธรรมถ้าทําให้มีอยู่ก่อนพอเพราะบรมศาสดาก็ไม่เข้ารักธรรมไม่ทำให้อยู่ก่อนพอเพราะบรมศาสดาจึงยอมเขารักธรรมคำสอนใดๆในใจเรกขท่าเป็นเมืองเคลนคําสอนพระพุทธศาสนาหมดใครจะรู้แล้วไม่ลู่มาเป็นปนัญหาเชื้อเทิดจะมีกี่นักรอดก็ชีพไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวเช่นใด คำสอนใดๆก็เป็นวังขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่มีกลาวันกงคืนไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อและไม่เชื่อความจริงในชั้นนี้เป็นจริงอยู่ไม่มีกวันกงคืนเทียบเปนทางสูงตัวตั้งข้หมายข้อหู่ข้อข้าข้อพวกไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันทำเป็นโลกประวัต คุ้มครองโลกสองอย่างพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาตอนนี่านั้นความละอายตบบาทความกลัวตบบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มีความละอายตบบาทไม่มีความกลัวตบบาบแล้วกคตรไมายกตหมูโคตรักกคทั่วกคตตั้งไม่อยู่องค์ธรรมทำไม่นำคํานึงก็หมดที่พึ่งปีนยิงอาใส่ถาความเชื่อในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับทําไมจึงอาบน้ําเพราะร่างกายมันสกปรกทำไมจึงปฏิบัติธรรมเพราะจิตใจมันสกปรก จิตใจส ก, กปรกแล้วจะเอาอะไรล่าเอาเสียธรรมเท่านั้นเป็นที่พึ่งที่ปฏิบัติให้กิดใจให้ให้จิต ใ, ใจสองใสเองให้เห็นธรรมเห็วินอาบน้าเพราะร่างกายส ก, กปรกต้องอาบหน้าภายนอกกิจใจส ก, กปรกก็เอาน้ำศีน้ำธรรมทานวันวนศถีวัตถุภาวนัวนานัตเข้าล่าเอาพุทธจักรสองเข้าล่ามันึงิงส ก, กปรกถ้าไม่อย่างนั้น จะเป็นคนดีไม่ได้พุโทโธผู้ละบาบอมเป็นมุลธโมสงไม้เชิงละบาบอมเป็นมุลสังโฆพระเทวดาละบาบบอมเป็นมุลตกลงพุทโธธรรมโสังโฆก็เป็นเชื่อดสามเกลียวอยู่ที่รวงใจไม่ได้อยู่ในที่อื่นใจนี้เป็นที่พึ่งของใจจะให้อันใดเป็นที่พึ่งของใจอันทีให้อัตโนโรา โ, ถโถสตนี่เป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจพระองเป็นเจ้าใจเป็นผู้สร้างขึ้น่บาป ก, ก็ดี บุญก็ดีไม่ใช่พระผู้เปนเจ้าภายนอกสร้างขึ้นพระพุทธศักดิ์พระบรมศาสดาเป็นผู้สั่งสอนเท่านั้นเนื้อนอนก็นอนเองเหนว่อนั่งก็ดื่มเองหนือยอาหารก็ทานเองเราทศชาติก็จะทําแทนไม่ได้เป็นเพียงขี่บอกว่เจอทั้งหลายต่อนั้นทาคํำสอนของเราแต่ว่าแต่ละวับาทนั่นเองจะเป็นศาสดาแทนเราในเวลาที่เราเข้าสู่พระนาลไปพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาองค์ไหนมาก็มาเทศอันเดียวกันเทศเป็นขั้นตอนไป มนุษย์สมบัติคืออันตรายมุขชาวโลกไม่เว้นอันตรมุขก็อดน้มันอยู่ทุกกลอมย่าเนี่ยการค่าขายเพราะเรามาตัดเวลาข้อบกค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลีตัวข้าวเพเป็นอาหารค่าเขาค่าขายน้มันค่าขายยาพิษการค่าขายเหล่านี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกมาให้ประกอบแต่พวกเราขี้โอ้มาเอาคําสอนพุทธศาสนามาอทุกเอาเผากินเจอก้างเราไม่พูดนั่ง เวียดเวียนลบลาข้าวฟันกันอยู่ทุกยองก้าก็เท่าะะไรถ้งว่าปีนคําสอนพระพุมธศาสนาเองนั่นไม่น้ำซ้าจะพากันเอาข้อศักดศรัทาเป็นนามเอกนั่นนั่นนั่นมันยังว่าไปหาที่ประมาณไม่ได้อีกนั่นั่นนั่น น, น, นั่นอยู่กับหัวใจของผู้ฟังและผู้พูดนี่เองไม่ได้นั่นออกนอก คนเราภาถนาดีหมดแต่ว่ากรรมสองผลหลักผลของกรรมส่งให้ก็ต้องเป็นไปตามกรรมผู้จะดูเนื้อกรำแรกก็คือพระฐานแต่พวก เ, เดียวถ้ายังไม่ถึงพระฐานก็อยู่เนื้อกรำไม่ได้เพราะกำชั่วท่านพ อ, อแล้วกำดีท่านพอได้าพอแล้วท่านก็อยู่เนื้อกำชักพอแล้วแต่พวกเรากำชั่วก็ ย, ยังรักไม่พอกรำดีก็ ย, ยังช่างไม่พอจําเป็นก็ต้องพยายามละชั่วทําดีอยู่นั่นเอง เมื่อแล้วชั่วทาดียังไม่พออยู่ตามได้จะร้องหาพระรหันมันก็ไม่เจอมันก็ไม่พบมันก็ไม่เห็นข้ากับเรามีเงินสองสามต่างจะร้องหาเป็นเศรษฐีมันก็ไม่ได้ความดีความชั่วใครสร้างขึ้นสภาพพระเพื่อนเจ้าสร้างขึ้นเพราะเพื่อเจ้าจิตเจ้าใจของใครของมันั่นเองสร้างขึ้นนรกพยายมก็ไม่ได้สร้างสรัพย์ทั้งหลายสร้างไว้มันก็ไปเกิดเป็นโลกทิพย์พออยู่ สวรรค์ทั้งหลายสร้างให้สร้างไว้แล้วก็เกิดเป็นโรคทิปคอยอยู่นี่วิมานของใครพระมุขมลาไปเห็นวิมานของนันทมานุขเจ้าของเขาอยู่ไหนเดี๋ยวนี้เ้าอยู่ในมนุษย์โลกเออเขาทําอะไรอยู่เขากําลังสร้างกุศลทนว น, นอยู่เออคนสร้างกุศลทนว น, นอยู่ในมนุษย์โลกแล้ววันมาเกิดเป็นของทริปในเทวโลกคอยมีอยู่หรือมันก็มีสิ มากราบทูลพระบรมราชสสามลาเธอไปเห็นมาแล้วเธอว่าทำท่าสามเราทำไมเราบรมราชสสามลาว่าให้พระบุคลความดีคนดีทำในง่ายความดีคนชั่วทำในยากคงชั่วความชั่วคนดีทำในยากความชั่วคนชั่วทำในง่ายความดีคนชั่วทำในยาก โมดพูดมาแรงวันตอมแรงง่ายแกสอนดอกไม้มะแรงพูดมาแรงพึ่งจอมแรงง่ายแต่ว่าตรงวันข้าวอันยาวไ ม, มันก็บอกว่าประชาธิปไตยฟ้องวันะมะแรงพูดมาแรงพึ่งมะแรงว่ามันก็บอกว่าประชาธิปไตยฟ้องวั น, นทางคนก็ถามอ่าใครอยู่ะระดับใดเอาะระดับนั้นมาอ้าถูกไหมทำเป็นโรกระบาดคุ้งคลองโรคสองอย่าง ความละอายตบบาปความกลัวตบบาปเท่านั้นจะคุ้มพองโลกได้ถ้าไม่มีอย่งางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วคนรไม้โคนรหมูโคตพักคนรขั้วก็ตั้งมาอยู่ปูของทําไม่นําคำหนึ่งก็หมดที่ตุ้งพีอิงยาใัยทำความเชื่อในที่แก้มาได้ก็ไปทําในที่รับนับนับเยอะๆหนังสือท่านพูด ไ, ได้ได้ได้ยกมาขึ้นเงียบเลย ก็ข้าพอแก้วมันโก้และกระบืมันไปเองมันถูกไว้ทั่บุญแฉล้องใจทั่บาปก็ไปฉลองใจเหมือนกันทั่บุญก็อะฉลองอายุของบุญอยู่ที่ใจทั่บาปก็ฉลองอายุของบาปอยู่ที่ใจใช่ไหมบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจทั่บุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจถ้ามันหนักทางบาปมันก็ต้องไปทางบาปถ้าเอามาชัางดูมันหนักไปทางบุญมันก็ต้องไปทางบุญใครๆก็เหมือนกันในโลก พระพุทธเป็นเจ้าเป็นสร้างเป็นผู้สร้างขึ้นพระพุทธเป็นเจ้าจิดพระพุทธเป็นเจ้าใจนั่สนสร้างขึ้นแต่พระพุทธเป็นเจ้ามัธยัยพระพุทธเจ้ากขาสอนใจฮะคนมาม่ายเสียจเลิกพระพุทธเจ้าเขาสอนเนี่ยนักมาที่ตายมาแพระวานาพู้โตพู้โ ธ, โ ธ, โธแล้วว่าท่านได้ยินดีไมแห้งอยู่เพราะพรวานาไม่ใช่หรอมใกล้ตายมาบอกมันจะมันจะว่าวรุนเนี่ยต้องรับพระวนาไว้เที่ยนี้ ไปรถไปเรือต้องภาวนาพุทโธจึงไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นเดินไปนั่งห้อยขาห้อยเท้าอยู่ก็ภาวนาพุทโธนั่นเองจึงไม่เจออันอันตรายใดๆทั้งสิ้นเออพุทโธจะเลี่นงไม่กระดกพ่อก็ร้องให้ใจเข้าออกก็ได้นอนก็หลับคาเพราะภาวนาพุทโธท่มัวทั้งโคก็อยู่ด้วยกันเป็นเชือดสามเกลียวน ไม่เรียบปรามสัพพนุ่ถ้าขเพียยสมุรตัวันไม่เรียบอัปปปารมสันุนถูกไปก่อนหน้าไม่เรีปรามับถะปรามีสัพพนุ่นย่อมตายยาตอข้มเพี้ยนแนวก็ได้เขาย่อมตายตอตะตาปรามัตถะปรามีสัปพนุ่งกันเขาไม่ข้เพี้ยนทําไม่เขาไม่ข้สักด้วยสองแนวเขาเขาสามารถวพาวับัตสามารถ้ามวัฏนอดในโลกพยาวาลข้างลื่น ก้าวแต่ปรมาณการปรามิตรซับปอนโนนังควบทรัพย์และข้อมรัติฐานยูสองอ่านเท่าอธิฐานไว้แล้วติตาย่อมน้อมรัติฐานถ้า่อนตายอธิฐานไว้แล้วว่าบูฟ้าประทัดต่างทัพไว้แล้วอภาระประทัดต่างัพไว้แล้วอธิฐานไว้แล้วว่าโมเสนน์กลางขึ้นในโลกพระญาบาลปวดโลกไปยู่มีข้าวรักษาอะไรแล้วตายไป มันจวังว่าสีเงี้นกนนี่เราฝันยังย่งเงีนฝันฝันนี่กัเราปรบโอเตายเมื่อสักพัตายย่งสัพัยังดย่เราแตกทิพย์เกามันตายสุดสตายยังสุดสุดเายั่งแล้วแก่ยั่งตายกด้เนาใช่ไหมทั้งวันขั้งยารักาตายอยู่แสมุนไพรอันนี้มันดีค่ะเจ้ามันดีค่ะินจะใส่อยู่มอสระถึงจะเพียงมาว่าพาดนะับถึงจะเียงอาเปิดตไปนอกรังเกียจในโลกพระยาบาลถ้ัน ก็ซักนะเสียงขกงรไปอะตะรไปมันไม่นากของหัวใจหนกขอพี่พน้องตัวอาจารย์คนไฟคนไฟมันก็ขี้ตู่คนไฟคนช่างประโยชน์แห่แกเขาตัวไปวันไหนนักวันหนานมันต้องออกต้องไปตัูอาจารย์คนไฟวันไหนพระสั่างประโยชน์เขาวันหนานี่กรุงพาเนี่ยถ้าไปวันไหนนักวันหาเขาเลยอธิษฐานมาไฟสักดีว่าเลยตายมตจะประมาณนี้นะ อัตตันตตาสกาตาทุกความรู้จักประมาณชนจะประโยชน์ให้สำเร็จอัันตตาสกาตาทุกเนี่ยความรู้จักประานจะประโยชน์ให้ําเร็จจะสามารถเจาะหได้หรอไงตั้งยีสังเงียยเงี้ยวบเอาอไงทุกฝูงบ้ันไม่เห็นได้ไปโลกคยญบ่ปุ่นใช้อไยุคแฟร์ี้ก็ไปหรอตัวคนนี้ันว่าแีนร ก็ร้องไปแฝงชีพฟันนี่เลยนะหล้มนแฝงชีพเนี่เต้องไปเจาะกับแีพกันะเลาะกแฝงชีพกันที่เชากับแฝงชีพที่ใต้เพถ้าเจอหนุ่มบ้านเมือร้ายปจอก็ในี่ว่าไม่เชียงครหรืออีกนะคนสามคนสามห้องหกจะพาจะพ้นคนร่องห้องไปยังคนในจานวันก็คนในจานจวนก็้วกพาประธานเครื่องบินนี่นะ คนเป็นยังคนของเจ้าคนจะตายบมทำไมไปเหรอ่ันตัวตอบมาบางรู้พา่ั่นคนขของเจ้าครับผู้จักก็โตกระคนอย่าวร่องมึงคนอางร่องโตบ้างโว้ยคขาหน่อยตอบเองเขาบอกมันวังวาท่านจะพุ่งลงจากย้อนพี่สั่นท่านขะพุ่งลงจากแล้วอยากล่องโหันารขอน้อยซื้อแต่ขอหน่อยติดต่อนนี้ก็แหวนมาแวนาสั่นคนเฮาเลยมาในโรกเมือตายในโลกนักศาตัวใสใสเนี่ยหัวหนึ่งสั่น ขอนึงอีกโหชั้น้ามนน้ำซุ้ยมาสิลยกร่ปปตายว่าในวันพุ่งนี่อันนี้ขอ น, งขอนึงอ่นนะขอนึงอีกทักษาเชื่ตรงแท่นนะว่าร่ตายมาถึงแล้วมให้ถอนร่ตายได้ดยเวบ่วด้รวยทัพย์อันนี้ขอนึงมาขอนึงอีกมันจางแยนหลายกมัวเข้างจังว่ิตายว่าเามาเกิดให้หนังว่าสนี่มันแยงมัมันแยนหลายว่าแ่เนี้ยต่อดีวะแต่เนี้ยน พ่โอโมยัไม่ตายว่ ข, ขาเกิดยังงเขาจะกอันเียกวนียวน่ยไม่หายของโมวะราชวัดเสรือข่ายทุกปัญหาไม่หลายได้ไหมใช่วรวัตเสืเอข่ายทุกปัญหาสมเล็งกเรอราซาวานิมนต์คือการงานเท่าเลยเก็บต่อคนเท่าไหร่ฝ่ายคนไทยแ้่เผ็ดประยิบจะด้คนไทยเขาพีวานิมนต์เท่าไร่เนี่ยไได้ฝ ข้าตอบนี่บพ่นบาบบบขาตอบไรที่สล้ตลาตอบเพ่อนเลืนไตอบพูดเรียกพ่นกันเองขันท่าขันยกนักรังตม้มเราว่าไม่มีเงินไปตลาดนในเลนเล็กดูดูเลนเล็กดูดูแล้ว่าไม่มีเงินไปตลาดนะเอามันเอามาพอ่อเดี๋ยวนี้มันยังไม่เมีเงินเท่ากับตลาดนี่เลยนะเจ้าเานะ้่ยขันว่าเจ้าละเดี๋ยวสิเด็ดานุงกับพ่มียแหละ ปิยานันมีฉนนเ่อยกายละฝห น, น้่าภาษาจาราคล่ะหน้าภาษาจราเสียใจร้ า, รา ย, าา เ, ยลเลยหัวตายลูกตายพ่อตายแม่ตายอันนี้จะเสียใจร้ายเงืเ่อนมดมัไม่มีผิดเร่องไปแกะผายง้าง น, นําฉนวนเนี่ยเสียบบอส ล, ละพระพุทธเจ้าสอนเขาสอนมนุษยมวัเมิเต็มทุ่มสอนเป็นคำสอนนะพระพุทธเจ้าสอนเราคมนุษยบัติ ถือ ส, สมบัติสวรรค์สมบัติถือพุมสมบัติถือนิพพานสมบัติเป็นความการตอนไปไนไนเร่ข้าว่ายังพวเป็่ยนเนกสมบัติก็ขันเวีนขันบนเวนเป็นเนุขขนิพพัทธ์จเอาไยังพวกเกบเวียนไให้ังไห้สวรรค์นิพัตมันจะไหนจิตไปได้ไอ่พวนันเออันนี้เป็นนาทีของพวกอเฮาจะพี่ชนะนอเนอะหอว่าบอกนนเนอะสร้างเงินลงมดลายถ้ามันมัดมานมัจะแยกสินออนี่านุ่ง นั่งนั่เลนเล็ดรู้ไรโมมีแนวทายสินต้องอาบน้ำชั่งสินมีเน่เ ง, นงนินหลาย ล, ายลาย้านหน้ามันข้นเคืองคนนั่นแหะบ่ยอมเอาหัวเอาเงินไปเล่นเล็ดบเงินหลายหลายลาย้านปุต้องมมีสินทายโมมีผ่าทายโมมีสังเกตายต้องอาบนา้ำชั่งอั น, นันะต้องอ า, น า, า, น า, อาบน้ำในสาาบน้ำบนตืน ปั no ่นผาได้หันนั่นได้หนน่นน่ะขอแค่แก่ท่าห่นวนั่นมันได้เขาอะไรเไปทางานใช้เขาเขาเอาคนมีงานทั้งนี่นั่นั้งปั่นนี่ทาให้รูกจญปันนี่ต้อีแสดงว่าต้องอามาบาเาตัวเขาอ่ะถือขันาคือคือมันเดี๋ยวนี้ักก็ตาย้ย่างง้ก็ขาจะเขาเรียกข่าในันคือเส้นทองเห็นตาจีแล้วทำไมมุกค้ามุกค้าพิพายสง่าจงฝากเา เมื่อแสดายอยากเรียนตับบาวใยยังงูเมื่อเดายอยาก่วงระเบิดเส้นหาเมื่อเสียดายอยากขาขายเ้นหารขาขายมันขาขายซักเปลี่นได้นซัี่ขาเขาเปลี่ยนอาหารขาขายน้ำมอขาขายยาพิษเมื่อเสีายอยากพบมีชัวเมื่อเสีายอยากคื่อเลื อ, ยอย ok ดีงามดีนัพุ่งของพระสสดาบนานะขันธงพระสสดบิบาลแล้วศพซับสมบัติมันเป็นมะเองมะตาย แต่ทั้งซัพพายได้ทั้งซับพายนอกด้วยนี่ซับพายไมกระดึงซับไายนอกมานี่หาาสมอะไรก็ได้หาผสมมีก็าา ม, มีมีหน่อยกับมะฮอนไม่หลายกับมะฮอดก้อนเหา่ารับค่าระจับของสงลิมฉินเฉลิําำได้ไปเล่นเลขอยู่ได้ซื้อเหลิกดียามดีอยู่เอากระตุ้นพระแขนข้อผู้ขาวว่าออกเขียนนี่เอาเขียนใจนี่อ๋อในใจรด หน้ามันพระพุทธาตุระสง์ขี่รถเงียวรถเหยียบยำทร้ไขนมกไข้พวกมิตรทกเงี้ยวพวกมิตรประมานรส่ใส่ก็ด้กปูกาจองขาดก็ต้องออกแขนยนักแขนไม่แนใจเลยรถน้ำมันกับว่ารนกรถคิดรให่ไงงพระทธาตุพระสงฆ์ฝ่ยผูกแขนกับว่าดีผูกนัผูกกิดผูกใหญ่งพระพทธาตุพระสงฆ์เลยท่าบุญสลองอายุยุ่งสุกวันท่าบุญกับสลองอายุอุอยู่งุกวัน คำบาปจะสรองอายุบาปยึดชุบวันมันสลองเงีย ใ, ใจนั่นเจ้าขันฟ้าก็เป็นแล้วอย่างแั้นมันฟ้ายึ่เสมอเจ้าขันดินก็เป็นแล้วยามดินยึดเสมอดินนี่แน่หนีก็นมี่ขาดินหน้าค้ร่มเจ้าแผ่นไสกับหงส์ตมหนาพรยึดเสมอเจ้าแผ่ร่มกัหันใจเขา อ, ออกอยวดเสมอแล้วก็ขึ้นเมา่อวนลมหายลมเลยอลมวัวงลมงพัดลมพัต่ำาช้ลมออก หรือดันลมฉายอุจระลมในช่องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวเส้นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระเจ้าพายลมพระเจ้ า, าจเป็นไฟคไฟเที่ยนต า, าให้อุ่นไฟเพี้ยนต า, าให้สุดโทมไฟที่ยาาังกระลงยังการให้ปรกลงกบายไฟที่พาอาหารให้ย่อยกับเป็ไส้ก็เป็นแล้วตุกจริงตุกจริง <laughs> งั้นหรอแม่ดีเดียวแม่ดีเดียวนวดนวตรงจักลงบมบาบอนับจะมนุษย์โลกไปจนถึงสักโลกจนถึงนรกหมอละห เชี่ยวุฒเชื่ดารบ่มบา้าบ้าเกี่ยมมดแต่ละเที่อวุฒิขโมาโลกก็บ้า ก, กัยังน้อยพระอรหันหออกจากโรงพยาบาลพิธัญญาพระอรหันมดบา้บาเนี่ยชนะบา้าแล้วยออกจากโรงพยาบลบมบ้าเนี่ยมูฮ่าออกว่าอนไน้เอาผู้ใดสมประสงค์ไงโร ก, กันนี้ถามมึงดูยิ้งไฟ่ยิ 2, 3, 4, ้มใส่ิ้มใส่ยิ้มส่ไม่ได้เหรอวามาีเจ้ า, รจาพระล้ำอยาเดียวยสมสง์ นอกขานั่ขาดพ่นผู้ตายเพราข้างอานนี่พระรหัลจัพโผเดยวงอานแบบนี้แทบววัดนอกนั้นตายข้างานวัดนั่นแหละทีหลร้สังข์ไร้แม่นบอกนะคนะสมอลารแม่นบอกเดินไปพ่อพ่อพระราหัลจังโผลเดียวแม่นบอกนะที่ไม้สะอาดนั้นได้ช่วยนี่ที่ไม่สะอาดที่จะเดินไปพ่อพ่อพราหัลจังโผล่คุณจะจะคุ้นเนาะพระราหัลเป็นจะคุ้นได้ภาวตัมก็พระราหันเป็นจะทวดวัดน่ <g ül üyor> แมนบ่ <S <S นะักอมหาอานนนมหาโมคคล่ามหาสาเนบุตรนี่เราลองใส่ตรงนี้ซื้อหรอกเขาออกเด็ดๆมามาหาสาเนบุตรมหาม่เนพ้นจากเกเรแล้วญารยาอรยอสิทธาเีนลูกคุณหนึ่งแมนบ่พระองค์เจ้าเฮ่อสะอานพระราหุนเป็นลูกญายรอสิทธาเป็นพระผู้เจ้า เาพ่อพยศเป็นพระหรันเงาะพ่อกัจตปาปะเป็นพระหรัสนเงาพ่อเข้าเนีลยแต่ขาย ข, ายข้าวแหงบ่แม่บนบ่ขายข้าวแหงขายบ่แม่นบ่นั่งแล้วให้เงาะแม่คันนี่ พ, นนพวกเจ้าปแพร่เงาะแม่พระจา่าเด็กวในลูกสองคนเป็นพระหรันเอนั่งนงแม่ประชา บ, บริพุทธเมี กลเป็นพระหันแมไม่เพการพิรานี่าากาลาเป็นพะหาันแ ม, ม, ม่ม่มาคุณละคุณทารเกศีเขาเป็นพระหั น, หมนแมน่แม่เอามุขเขาเลยเ็นอไอย่างง้นสู้เขาบบอกม่เนบ่แม่หนบ่เขาได้เนสู้เขบ่ยูงี้นี่บ่ ม, บมันไม่ได้ควนบ่วัาาานนี้มุขแม่โลกันเลยมุขขาแปลว่าอา้าบ่ายยี่สิบนาทงฝากเห็นไอ้ี่สั่งคณะคิดนัเห็นโลกรอบนึ่งแม่บ่ อหอกร็จไปเล้วอมานหมือมาเที่ยงนะเห็นทุกขลัที่มันเหนโลรอบนึงถ้าภวนาดีต้องไปเห็นสวรรค์สิอ่าา้เขาเห็นเร็วสวรรค์มดต้องร่างมันกระรอนออกมามดต้องร่างมันก้ามาเกิดแก้แก้ตายในีมัตาย้องสามเน่ยเขายินงดีนะคนในชานิมันเดียวอ่อนพระสารีบารมีแก้ตาวมานเดี่ยวได้ได้ในโุ่นอันนี้จงได้ได้ในวุ่นทุกขัง ในใ น, นพวกอนานาตตาอย่างสงสัยในายนาทั้งอดีตทั้งนาทัปัจจุบันด้วยเห็นเขาเาลงไม้แต่เขาออกแล้วมันจะไปสงสัยเอียงนัน้เส็จดิ้งคิดยิงใจพ่นจากวัตาสงสารนั่นตอเห็นทุกขณะกิดนั่งเห็นลรอบนึงห ล, ลอเห็นจังคณะกิดนั่งเหนโลกรอบนึงเห็นอนาตตาณะกิดนัเห็นโลกรอบนึงหรอซองทะุผู้เขาหนั่งอยู่วันเดียวรอบโลกขณะิดเดียวรอบโลกเป็นไปด้วยกองทุกนั่งนั่งอยู่วันร่งเดียวทั้ง พิจิตนะจิตยาวเห็นโลกรอบเลยไม่ถึงไม่ใช่ไอ้ทงมหาสมุทรกรนับได้เลยอันนี้มันแข็งกระนับนต้อมาเป็นธาตดินที่หนึ่งดินตัวอันนี้มันเหลวกรนับน้องมาป็าตน้ำหนึ่งน้ำอันนี้มันอุุ้อนกรนับมาเป็นธาตุไฟกระนึงไฟตัวอันนี้มันพัดไปมากกระนึ่งล่มมันต้งกนับนล่มอย่ยงฉีนับไม่ได้นั่นกรนึ่งสองสาจะไปฉีมานังฝ่านับผู้นับกับบะผู้ฝ่าเป็นกรรมการกับบะนี่กันเนี่ยอะไรไม่ใช่มันเป็น คนเซมีจะทลายด้านจะสร้าใช่ไหมนับต้องเป็นชาตาดินน้าเฟร้อเท่า น, น, า น, น, านั้นตัวนับต้องนับต้องเป็นโลกโกดหวงหันตั ว, ด, ด, วด้านขี้ไก่ด้านขีเหร่มันหนึ่งโลกนยน่งโกด๋งหนึ่งหลงตัวเนี่ยข้าเนี่ยขันซ้อนพระศิษยกสาอนไหนเพื่อน่ายรูกัลไหอนสอนไ ห, ห้มาต่อสู้กับข้อมหลงเจ้าของเลยมันสอนมาให้ข้อมหลงเจ้าของใต้ ห, หันขวาหันกลังหันในขิเลรมัน ยดกนนีพะแหงหรอิเลมันยึดกัในเมืองไสในพะแห้งอตอนไหนว่าต่อสู้ก็จิเลตเลยชณะชนะนี่ว่าชนะนี่คือแพ่แล้วนี่ือแพร่มาหลายครั้งหลาวภพรอข้อที่หกถึงแพ่ีกบอกเพราะห้ำชนะแล้วจะว่าขามปรันถามคว่ำหงจะของเลยนะคว่ำหลงในสถขา ม, ป, ขา ม, ป, ขามปมัมปมดเนี่ยข้าพระเจ้าไมมาหลงอีกข้าพระเจ้าไมมาหลงอีกเอวังดังนี้แรลยไปก <c oughs> ้อยเล้ามมอห้ามหนึ่งมาอยู่ คือหมูออกจากคอกระับเขาร่อมากินถ้ำห้ อ, องมด อ, อ, อูดขามาเขาระคาห้องเอี้ยงนกเขา้วกท้าเขาเสียห น, นามเช็กระบอกขอหาเชกระลาถ้าเครื่องไหนกับพกคนบ่เถื่องน้าปองใชออกกรรมฐ า, านมันต้องเป็นยังสั่จงจะพได้กรรมฐ า, านมาบวชมาเบีดกดข้ายงล่วงโลกบ่หวังจิตกดทุกข์ในวัฏสงสาร งามัดต้ว่าเราพตายเนี่ยชอกปะมาแข็งวานอรอไปส่งเขาท่านท่านแกว่อยากเปนทุกแม่วาตาส่งสามเลยบาดตายเขาบอตดีคนนี้ส่งกรมโตนี่แล้วกระซัมพื้นดอกดีว่าดีกระไายดี๋ยวไเทียบก้ะซพื้นก็่่ถือเลยดี๋่าดีก็ะซําโตนี่และวขาบอันงว่าไระซัมพื้นพ่นว่าพ่นพยัามอมีกระซั่งถ้าวัจะควบ เอาอนควงขวมหวยห่วยชำหีิกูควงข้อนไม่สั่นควมไม่สั่นเขาไม่บอกวมมันกับว่าตกลงคนเก่าหรอกวยมันกับไปยุไกเต๋อไปหเวยบอกสั่นอะคือเาฮ็ดงานอะเราว่าหแม่เมื่อนี่มันกลายเป็นมืออึ้มือหือมือนึงมือตึงมือนึงเขาวก็ะมีแม่บอกเฮ้าว่าเฮ้าที่ฝนทุกอาสาดนี่มันกลายเป็นชาติธอซียเม็ไตกรมิ้ที่ว่าอย่างไรสั่นนะมัวรที่ว่าอนาคตการนั่นเธอนั่นเอจะบคือเสื่ออย่างมืออึ้เสื่ออย่างว่ถว่าเปลี่ยน นไมน้เนมาสิอีมันนอีมันาว่านี่อีมันอยู่ปชีลานี่อีมันอยู่ก้า้างนีอยู่ยังโพนำไรใช้สักวนจะคอยแต่กินนูเหรอนบอบพระพุทธเจ้าฆ่านูกน่าเมียยุทุนอยู่เขาขีู่กอดมหาไฟอานุโมทนากับ่มี่มี่สภูติฆ่า่ามั้นนี่ยบัดนั้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเหา น้ำลายเฮ็ดก่อนอีกก่อนขาเดี๋ยววายุื่นเล่ยล่ะแค่เชื่อคนที่คิดผายอันนี้ก็ท่านมดอังไทยอันนี้จะท่านมดเั็นมูเห่านี่โอ้ยใต้กินเขาเขาจะไปคาเอายุ่นยังมันผุดแม่นหรอฮ่า่ ไดเผื่อบรีแด้วลับไปวัดได้ไม่งันมักแทะบ่สัตว์เนื่นบอกอะไรสองคนอะมัตเต้จะมาตองนันงด้วยมั้นมึงชิบว่า่ัตว่างเงี้ยบ่มานรเผื่อมันเผืะมันตามประัดเพ่งประักเพ่งทำวองเพ่งอ่ะ เพนมากกนมือหนึ่งหนมากม่สีสันหลออมากมากเออวดวสมบูรณ์โอ้ยไงคุยไงเป็นเนี้ยใช่ไหมเราเป็รพ่งเพ่งพราวันน้เป็นกพราะอั่นอายุเชี่หาเนี่เพ้นเป็นสมัยอยู่นั่นเราปูหม่แล้วเพี้ยนตอนน้เลยน่อสัาเปลี่ยนแตไม่ยากเพี้ยเมือจกบขีดมาโดเบิ้ลว่าแก โอยอันน้ยู <China> ่งาโหเรอชักปะไม่ไหพี่งอาสุขภาพนี้ลูกผู้มันลูกผู้มันสามเอานี้มาไปไปการลูกผู้มันแล้วก็วกเงจักบวข้าวเปลีวบ่อทัิโยทางบ้านหะสัตมันต้ตาย เยอะทังบ้านนักขันกับพวกแ่ยังนักฟ้าศิษย์เ้าขมมาสัาาน้นนักฟ้าศิษย์เจ้ามตยังบาท่านสังข้าวมาสั่นมาวัานโอ้แตแม่น่ะมันสังจะเหม็นมาสั่นมาสข้าว่าสั่นแล้ ว, ว <laughs> บอก้าน่าซหาเหมือนหล้วมาโอ้ยอพไอยายว่าไ อ, อ้พไอยบอกจะรบข้าขนอกั่นมันแม่นีสีมาั่นนา่รราจะคนร่างกายเฮาหน่อยไม่จะขี่เต็มถ่อง่าสั่น คลืนเทศออกอวานนี่เี่ยรียกว่าบวชสับปะขาวสับปะขาวเยอะโดเจอไปแล้วก็ได้สายของเามุ่งตัวว่าแมนของไม่แบบได้โลกมันก็เกาห้องเนี่ยงอ่อก็เลยมาสายเนี่ยวันจ้าของสามนี่ทีไรว่ามันของไม่กันแน่นั่นแล้วบางลูกเนี่ยพวเนี่ยบ่เคยเป็นพี่พวกเนี่บ่เคยเป็นน้องพวกเนี่ยบ่เคยเป็นอันอันนี้ตันแรกทามเนี่แล้วบางลูกในโลกอันนี้ก็ไปเจาะว่ามันสาเป็นสาบนาแล้วน ก็ดูความพวกมูห้าวทหารชวกับนส่ดนับชัวกับยังโอ้ยชัวศาสตร์เรื่องเก็บเก็บไหวพอมาเปานเมื่อไหร่ครับชัวพระเจ้าองค์นึ่งกับในพรพภกเขานี้ยชี้ในเวล่เนี้ยหนงตามเก็บไหวาสตร์ได้ยดชัวพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับชัวกับหนึ่งะายก็ที่มหาสมุทรนะครับขันว่าหายหาใหญ่เน ร่องไปร่องไปในรเนาะตอนนี้เนาะข้ว่าด้วยว่าพระพุทธเจ้าประเสริฐมีพระพังอิ่มยาวอิทเดอใจแระบาการตตกรเป็ันเมล็ดคูเรียนทุกท่าะบทนาจรย์คไม่ไมอชถวตปูระกเรลาอรวตรายท่ที่ายกบอวาชีท <addicted S 2> ี่ส <Africa> ัญญาายร ทำอะไรการบิดกาเงินการสั่งราเมรามันไม่หน่อยเลี้ยงจะเสียใจในภายหลังเนะครับรปฏิบัติภาวนาเข้าให้ดีเียงจะเสียใจในภายหลังเนี่ยาเราไม่หน่อบเมื่อเมืองใครไม่รกันนะเฮ้ย่จัูแล้วนาะไับจับูแล้วอันนี้ว่าไม่จะู แต่ว่าแกมึงมกพระบอกให้ายกันมึงว่าฉันบอกผมจะเลี้ยงจะง่ายแค่ e ัหนด้วยอ้สั่งที่ได้มึงเสีบวัดบอกว่าเอาเข้าไปสบายเนี่ยอะไรมั่งใส่ปลาครูนี่ปลากรูนี่้ก็ไปไหนนี่ร่นี่เปเวลาแล้วจุ๊บๆท่านสงบังต้นท้านต้นอาวัน ก็จับต้อบาง่คือพระหลังใส่เขาไว้ครงตวต้ใส่เขาไว้ตรงตัวเดี๋ร่มเห็นสาดเห็นสาดค้าได้จังออกเลยว่าไข่ไข่ไข่อะเดียนนี่ที่เราเอาไปอ่ะต้องไปเป็นสถาลุ่มนี่แหละทำนี่แะต้องไปเยอะ มาที่วัดมาจังใจจะโดนอน่ะนะครับผมว่ามีโอรงการัดนุการมภูวัดใดยของผมวัดทนึงหรครับวัดนุการว่า่ยันต์นูนเป็นยังไงดังอน้องโม่งเออจตำบลไนเหรอโดนที่น้นองฟองเหรอเ น, น, น, น, นาองเหรอโอ้นี่ได้ที่ไหนี่เป็นระวนครับนอี่วจัอ่าวัวนพงมครับผมก็เขาเนี่ยมาที่ใส่ไหมมาที่วัดบรมนี่ว่า ว่าอะไรนักมูนิธิน่ะะมูนิธีน่ะมุนิธิครับมนิน่ะดูไศึกษารรคโอยนคามผสมพุทธมรสายห้าอืสาหเป็นข้าราชการมาบวชใช่ไหมไม่ต้องมีกษาออกบวชบได้ข้ามข้าาสโอ้เยอะนัซื้อหม่ะก็ต้องการศึกษาพระธรรมพระธรรมพระธรรมยิบแปดสเก้าดวงก็ดี ร้อยยี่สิบดวกดีก็แบ่งออกเป็นสองภาพภาพหนึ่งเโลภีภาพหนึ่งโ ล, ละจิพระดาวันจิสักาคามิิพระอนาคาร์มิิพระอาหาันีแบ่งเป็นโุตระกิจำกว่านั้นลงมาเขาเป็นโลภีจิตพระมีกิเลสฝันเสือกลมาไม่ตก พยาบาตวิตกมีหินสาวิตกเดินจิตของพุทธิชนคนหนากาพยากามพยากากามวิตกพยาบาทวิตกมีหญินสาวิตกไม่มีคือจิตพระอนาคามิกามวิตกของพระสวัสดิบาลมีอยู่แต่พยาบาตวิตกมีหญิงสาวิตกไม่มีกามวิตก ของพระสวัาดีวันพระวิตกในเรื่องสามีหรือภรรยญญาของตนส่วนวิหิงพระวิตกพรยาบาทวิตกไม่มีอนโนตตะ ป, ปะอนโนตุตตะปะคืออะไรอนตตะ ป, ปะก็คือไม่มีิฮลิโอตปปะปะับท่นา น, นครับเมื่อกี้ท่านนตตะปันมะไยเป็ไรครับอนุตะปันท่านวไห ผมผมคงเข้าใจว่าอ น, นุตตะปะมันคงว่ามันเป็นตรงเงินค้ากับเป็นตรงเงินค้ามกับทีนี้โอตะปะไม่มีทีนไม่มีโอตะปะถูกไหมเพราะผมม้เรียนมาที่เข้าใจว่ามันตรงกันข้ามถูกไหมทีนี้พระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนพระพุทธศาสนาถ้าว่าในทางพุธมัตย์แล้วอยู่ที่ใจถ้าจะว่าในคำพีใดใด ในพระพุทธศาสนาก็ย่นลงมาเป็นเอกานิวาตคือมโนภูฟังมาจากคำพีไหนมาจากคำพีมโนภูฟังถ้าพูดยาวเขาเรียกว่าทีขวักถ้าพูดสั้นก็เรียกว่าจุนรวะถ้าพูดขนาดกลางก็เรียกว่ามัชชิมวะถ้าขยายออกเป็นสองก็กายกับใจถ้าขยายออกเป็นสามก็กายวานกายใจที่เรียกว่าไตรพิโล ไตรไปดกไตรสิขาย่นลงมาในศีลสมาธิปัญญาย่นลงมาหากายวาจาใจเนี่ยควติกันนี่บาสนิบาสก็แปลคงจะแปลว่าบทถ้าจะปารลขยายออกไปอีกก็จะทุกันนีบาสจะทุกันนี่บาสทำ ท, ที่มีสีข้อต้องมาสงเคราะกันเข้าเป็นเจทุกันนีบาสเชนยัยยะชัดสี่เป็นต้นหรือธาตุสี่เป็นต้น ปัญจชากาญวาต์ทำที่เป็นหมวดห้าก็เอามารวมกันไล่ซะก็เรียกว่าปัญจชากาญวาตมีรูปเวทนาขัญญาสังขานเวียนญาเป็นต้นหรือที่เรียกว่าขันห้าทีนี้ขันห้าย่นลงมาเป็นสองลูปขันนามขันเอกพวกพวกพวกรวมเข้ามาด้วยใช่ไหมเนี่ยคนละครับ มาคนนาทีมาคนาทีดีดีดีดีแล้วเขียนมาบ้าบบของเราเราเขียนมาบ้าบบของเรามาเคินเนี่ยานดูดูอ๋เราเขียนตามภาษาบ้าบบเราออกไม่มีความรับนัดที่ยวเีแล้วคนอ่ะข้าเจ้าผู้เท่าล่าเก็บมาปิตัเย้ยอ่อนไหมสำหรับข้าพเจ้าผู้เท่าล่า เมมะาปะโตลงโอขาดตัวไม่กลัวพลาดอาจฐานในตอนนี้จีขาดว่าคําสอนใดๆในสัพพตรยโลกาทั้งโลกอดีต ท, ทั้งโลกอนาคตทั้งโลกปัจจุบันอันจะเท่าทันเทียมถึงพร้อมทั้งละเอียดละออมบริบูรณ์ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติกรมสมบัตินิพพานสมบัติเหมือนพระธรรมคำสอนของพระ พุทธศาสนานี้เป็นไม่มีเลยผููขาดจองขาดอยู่ในตัวของอริยสัจจะทมอันทรงไว้มีไว้ทรงอยู่มีอยู่ตามเป็นจริงแล้วไม่มีเทวดามารถมหรือมนุษย์ใดๆจะมาอวดดีคมขีตัดออกหรือดัดแปลงเพิ่มเข้าได้เพราะเสดสีและดีพอแล้วและก็ไม่ขึ้นอยู่กับบรรดาท่านผู้รู้ และไม่รู้และไม่ขึ้นอยู่กับบรรดาท่านผู้เชื่อและไม่เชื่อและก็เป็นโลกุตรธรรมวินัยเต็มภูมิด้วยไม่เป็นหน้าที่ศาสดาอื่นๆจะมาอาจเรื่อมปราศยกตนปราสะปราศะยกตนเทียมทำพระหัวดือสารำพระแข่งดีมานะถือตัวอติมานะดูหมินเยียดยาม จะกลายเป็นกองพล น, น้ำลายม้วนบ้วนบ้วนจะจะกลายเห็นกองพล น, น้ำลายบ้วนโตฟ้าข้างปลาพนใสหน้าผาหินผู้เขียนเกิดมีปิติเต็มภูมิไม่ละอาไม่ประมาะเลยแต่นิดเดียวของประเสริฐในทางมหาโลกุตระก็ถวายประเสริฐเรียกว่ายะถาภูตะสำ ม, มับ ปัญญาญาทัศญะถาปูตยานยถาภูตยานสมรติปัญญาญาทัศทัพังรู้ตามสะพันยุตตะตามเป็นจริงจะว่าปัญญาจากักขุจักขุคือปัญญาก็ได้จะใช้ว่าสมันตะจกักขุจักขุคือปัญญาอันรอบรู้ก็ได้จะว่าแสงสว่างทางปัญญาก็ได้ทั้งนั้นจะว่าธรรมรู้เท่าธรรมตามฐานะของธรรม ไม่สุ่มเดาด้วยดวงตาปัญญาอันมีขอบเขตก็คงได้ไม่ผิดการยืนยันตามความเป็นจริงไม่เป็นอุปาทาน